ในช่วงนี่เรามาศึกษาวิสุทธิมรักษ์เนี่ยวิสุทธิมรักษ์นี้ความหมายเราแบบไทยๆนี่เราแปลว่าอะไ ร, รนะทางแห่งความบริสุทธิ์บอกว่าถ้าพูดถึงทางแห่งความบริสุทธิ์หรือว่าวิธีทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะเก็คิดถึงว่าถามว่าทำไมเราจึงอาบน้ำเราเห็นโทษอะไรเห็นประโยชน์อะไรเราจึงอาบน้ำใช่มเพราะเราเห็นโทษถึงความเศร้าหมองของของร่างกายเป็นต้นเนี่ยนะ ทำให้เราต้องอาบน้าหรือว่าเกิดความเร่าร้อนกวนกวายเต็มที่จึงทำให้เราอาบน้าถามว่าเมื่อเราศึกษาวิสุทธิมรรคเนี่ยเราเห็นความเศร้าหมองของอะไรเจึงหาวิธีเพื่อเพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์เห็นไหมเราเห็นอะไรเศร้าหมองบ้างนะความเศร้าหมองมีสองลักษณะด้วยกัน เศร้ามองอย่างที่หนึ่งก็คือเศร้ามองในจิตใจนะเห็นโทษของสภาพจิตที่มันเป็นบาปมันเป็นธรรมะที่ทําให้เกิดความเศร้ามองในจิตใจทําให้จิตใจเนี่ยขุนข้องมอ ง, ม, งมัวอยู่ตลอดเห็นไหมถึงโลภะมันก็เป็นไฟอีกชนิดหนึ่งแต่แปลว่าเป็นไฟเย็นเหมือนกนะันเถอะโทสะมันก็เป็นไฟอีกชนิดหนึ่งมันเป็นไฟร้อนเหมงอนกนะันเพราะฉะนั้นทั้งโลภะทั้งโทสะก็ยังมีบริวารอย่างอื่นๆตามมาอีก ถึงวิจิกิจฐามันก็มีไฟคือความสงสัยเกิดร่วมในโมหะมูลจิตหรือว่าอุทธจะก็ความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไฟคือราคาเป็นต้นเนี่ยแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเกิดความเร่าร้อนถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกไฟเผาสิ่งนั้นจักเศร้ามองถามวา่าจะทำยังไงจึงจะบริสุทธิ์ได้ไ อันนี้เรียกว่าความเศร้ามองภายในแล้วก็ความเศร้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือความเศร้ามองของสังสาระความเศร้ามองของขันทั้งหลายความเศร้ามองแห่งรูปประขันนะซึ่งเราทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นชัดนะถ้ารูปประขันเศร้ามองหรือว่าเวทนาขันเศร้ามองนะใครโทมนัสเวทนามากๆเราก็จะเห็นอความเศร้ามองของเวทนาขันความเศร้ามองของสังขารขัน สัญญาขันและก็วิญญาณขัน์ความเศร้ามองของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจความเศร้ามองของอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเปลี่นรสและโพธะพระธรรมรมเรือเห็นความเศร้ามองของธาตุแต่ละอย่างนะทั้งจักรคู่ธาตุรูปธาตุจกักรคูวิญญาณธ า, าตุเฉพาะทาวารตาเนี่ยนะธาตุแต่ละอย่างในทั้ง6ทาวาร เียกว่ารกว่าโลกสิบแปดเห็นความเศร้ามองของโลกโลกหนึ่งก็เศร้าหมองโลกสองโลกสามโลกสี่โลกห้าโลกหกโลกเจ็ดโลกแปดโลกเก้าโลกสิบโลกสิบสองโลกสิบแปดมีแต่ความเศร้าหมองถามว่าทําไมเขาจึงเศร้ามองที่เขาเศร้าหมองเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นคงอยู่ในตัวของเขาเองเลยแต่ละอย่างเขาอาศัยตัดใจจากข้างนอกมาทั้งนั้นเลย ยกตัวอย่างนะเราพ้อมพวกเรานี่มีความเศร้ามองอยู่ในตัวกันเช่นถ้าอากาศภายนอกเนี่ยนะไม่ได้ความสมดุลเนี่ยเราอยู่ได้ไหมหรือว่าถ้าลมหายใจไม่เพียงพอเราก็อยู่ไม่ได้หรืออาหารเป็นต้นเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มอาหารการเป็นอยู่อันนี้แบบที่เรามองเห็นเห็นกันแล้วก็ส่วนบุญส่วนบาปอันนี้จากอดีตเหตุซึ่งอาจจะไกลหน่อย ทั้งบุญทั้งบาปเป็นต้นแล้วก็สภาพจิตเหล่านี้ด้วยเั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยปัจจัยทั้งนั้นเลยเมื่ออะไรก็ตามที่ดำรงอยู่ด้ด้วยปัจจัยเนี่ยนะเขาไม่มีความมั่นคงอยู่ในตัวของเขาเองแม้กระทั่งกุศลจิตที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลจิตที่มีศรัทธาในพระตัตนมตรายก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดในลักษณะว่ากุศลก็เศร้าหมองก็ได้ เพราะดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะแม้แต่กุศลก็อยู่ในสภาพไม่เที่ยงความไม่เที่ยงแท้ไม่มั่นคงของแต่ละสิ่งเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าเป็นความเศร้ามองฉันต้องการธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านี้เดี๋ยน ะ, ะธรรมะอันนั้นก็คือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์เนี่ยนะฉันความบริสุทธิ์อันนั้นที่จะเข้าถึงได้ก็ต้องอาศัยหนทางหรือข้อปฏิบัติเป็นต้น บางแห่งบางสูตรกล่าวว่าตะบะและพรหมจรรย์เนี่ยไม่ใช่น้ำหรอกแต่ก็เป็นเครื่องชําระความเศร้ามองของสัตว์ได้นไะสภาพจิตที่เศร้ามองเป็นต้นอาศัย ต, ตบะคําว่าตะบะเป็นชื่อของความเพียรพรหมจรรย์เป็นชื่อของศีล ส, สมาธิและปัญญาตะบะและพรหมจรรย์เนี่ยนะไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระชะล้างให้สัตว์บริสุทธิ์ ในสังสารวัฏอันนี้ได้เนี่ยนะฉันความบริสุทธิ์เหล่านั้นถ้าผู้ใดบริสุทธิ์ระดับพระโสดาบันก็จะเศร้ามองน้อยๆระดับพระโสดาบันถ้าหากว่าตบะและพรหมจันทร์หรือว่าอุบายอันนี้เนี่ยนะถ้าเกิดในระดับพระสกาทาคามีหรือสกาทาคามีมั่งก็จะบริสุทธิ์ระดับสกทาคามีระดับอนาคามีแล้วก็ระดับพระลรหันถ้าเป็นพระละหันเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง อันไนหะนันพระอรหันต์ก็ยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอรหันตสาวกอรหันต์ที่เป็นปฏิเจกับพุทธเจ้าแล้วก็ผ้ออาอรหันต์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ้าอรหันต์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสแสดงธรรมประกาศธรรมเพื่อให้สัตว์เป็นผ้าอรหันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านบรรลุเป็นผ้าอรหันต์พระองค์ก็อยากให้สัตว์เป็นผ้าอรหันต์ด้วย นะเพราะว่าความเป็นผ้าละหันเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์สะอาดอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อความเป็นผาา้าละหันเนี่ยนะแล้วก็มีสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติได้บรรลุผ้าละหันตามอย่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าพระัตนะไตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วัตถุสามเหล่านี้เนี่ยนะควรบูชาโดยส่วนเดียวท่านบอกเลยควรบูชาโดยส่วนเดียว เขาบอกว่าถ้าจิตของผู้ใดไปเศร้าหมองกับประธรรมสามอย่างอันนี้โทษมหัน์เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าของพวกเราทั้งหลายผู้นับถือผู้มีความรู้แบบนั้นนับถือคำสอนแบบนั้นเป็นต้นนี่เรียกว่าพุทธมามะกะหรือว่าพุทธศาพุทธศาสนิกชนเหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสง์ที่แทงตลอดธรรมะเหล่านั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมในช่วงต้นๆ น, นี่เราต้องทำใจให้ถูกอย่างหนึ่งว่าเรากำลังศึกษาพระธรรมตรายู่เนี่ยนะบางคนก็พอศึกษาไปหน่อยโอยศึกษาแล้วทำตามไม่ได้หมดหรอกท่านเหมือนนแล้วก็เลิกท้อแท้ไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะ น, น, น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หนทางคือวิสุทธิมรรคเนี่ยนะที่เรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์อุบายเป็น เหตุทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะที่จริงคําว่าวิสุทธิมัติเนี่ยนะกว้างขวางกว้างกว่าศีลสมาธิปัญญาด้วยซ้ําไปเพราะว่าโพธิปัจจัยธรรมทั้งหมดก็เรียกว่าวิสุทธิมัติเนี่ยนะโพธิปัจจัยธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่สติปทาน4สมมาปทานสี่อิทธิบาท4อินทรีย์หพละหโพธิชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เรียกว่าวิสุทธิมัติหมดเลย แต่ว่าพระธรรมเทศนาที่พระ อ, องค์ตรัส ก, กับเทวดาคือสีเลปติทายะนโรสปันโยเ น, เ น, เนี่ยนะในคาถานี้เน้นเฉพาะศีลสมาธิและปัญญาศีล ส, สมาธิและปัญญาเหล่านั้นจะมีผลมากมี น, นิสงมากก็เพราะมีความเพียรอาตาปีนิปโกพิขุกนะอาศัยความเพียรแต่ว่าโดยสรุปแล้ววิสุทธิมัตตามแนวนี้ได้แก่ศีลสมาธิและปัญญา ด้วยพระธรรมเทศนาที่กล่าวถึงศีลสมาธิและปัญญาเท่ากับประกาศคุณเก้าอย่างอย่างอื่นอีกใช่ไหมเช่นสิกขาสามที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยนะสิกขาสามภาาสนามีความงามสามประการอุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีความเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นต้นเนี่ยนะ การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางอุบายก้าล่วงพบมีอบายเป็นต้นการละกิเลสโดยอาการสามอย่างธรรมะอันเป็นปฏิปักต่อวีติกมะกิเลสเป็นต้นการชำระสังกิเลสสอย่างและก็เหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคลมีเปะพระโสดาบันเป็นต้นโดยประการดังกล่าวมาแล้วนี้และคุณหมวดสามอื่นๆเช่นเดียวกันเนี่ยนะ ท่านยกมาเฉพาะในวิสุทธิมักยกตัวอย่างมาให้ดูเฉพาะ9 9 9ธรรมะนะธรรมะ9กลุ่ม9หมวดแต่ในดีกาท่านยกให้มาอีก4หมวด4กลุ่มที่จริงแล้วยังมีอีกนะท่านบอกว่ายังมีอีกเป็นต้นนะซึ่งใครที่ค้นคว้าพระไตรปิฎกก็สา ม, มารถไปหาเรียบเรียงธรรมะหมวด3เหล่านี้มาประชุมลงในศีลสมาธิปัญญาได้ ตามนัยยะแห่งดีกานะกล่าวถึงว่าอันหนึ่งคุณที่เป็นหมวดสามอื่นๆได้แก่คุณที่เป็นหมวดสา ม, เ ป, ม, สามเป็นต้นอย่างนี้คือวิเวกสามนะกุศลมูลสามวิโมกมุกสามอินทรีสามและคุณที่เป็นหมวดสามอย่างอื่นจากคุณที่เป็นหมวดสามแห่งสิกธาเป็นต้นนะยังมีเป็นต้นไปอีก แต่ก็จะกล่าวเฉพาะ4หัวข้อหลักคือวิเวกสกุศลมูล3วิโมกมุก3อินทรีย์มเนี่ยคว่าเห็นปานี้ได้แก่เช่นกับสิกขาสามเป็นต้นที่ทรงประกาศไว้ด้วยศีลเป็นต้นในอธิการนี้ก็ในที่นี้ทรงประกาศกายวิเวกด้วยศีลเพราะในที่นี้ท่านประสงค์เอาศีลที่อาศัยวิวัตตนะ คือศีลในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะไม่ใช่ศีลธรรมดาทั่วไปนะสังเกตดูจะไม่ค่อยกล่าวถึงศีลห้าศีลแปดศีลอะไรสักอย่างถามว่าทําไมไม่กล่าวลักษณะนั้นเพราะว่าศีลมีสองอย่างศีลที่เป็นเหตุให้อยู่สุขสบายในวัฏะอย่างหนึ่งนะกับศีลที่เป็นไปเพื่อวิวัตะอย่างหนึ่งคือศีลที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลและทันิพา น, านเพราะฉะนั้นในที่นี้ กายวิเวกเนี่ยประสงค์เอาศีลเพราะว่าศีลที่ที่อยู่ในกายวิเวกเนี่ยนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อวัตตะวิวัตะวิเวกมีสามนะได้ยินนะหนกายวิเวก2จิตตวิเวก3อุปธิวิเวกพระองค์นั้นทรงประกาศจิตตวิเวกด้วยสมาธิานนะถ้าหากว่าวิเวกจริงๆอ่ะนะจิตต้องเป็นไปกับ สมรถ h อย่างใดอย่างหนึ่งและก็ประกาศอุปธิวิเวกด้วยปัญญาถ้าปัญญาจริงๆก็สงัดจากอุปธินี่นะคือกิเลสนั่นเองฮะกิเลสูปธิเป็นต้นต่อไปเพราะฉะนั้นคําว่ากายวิเวกก็เท่ากับศีลจิตวิเวกสมาธิและอุปธิวิเวกนั้นได้แก่ปัญญานี้กล่าวถึงวิเวก3นะศีล ส, สมาธิปัญญายังเกี่ยวข้องกับวิเวกสาได้ แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับกุศลมูลอีก3กุศลมูลเนี่ยคืออโทสะอโลพะและอโมหะกุศลมูลอโทสะนั้นเป็นกุศลมูลทรงประกาศไว้ด้วยศีลเพราะศีลมีความอดกลั้นเป็นประธานและมีสภาวะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นคนมีศีลจะมีเมตตานะ อโทสะจะมีกำลังถ้าถ้าเป็นคนมีศีลนะแต่ถ้าโทสะเยอะๆนี่แสดงว่าก็น่าคิดนะว่าขณะโทสะไม่ใช่ศีลแน่นอนอ น, น, นขณะที่โกรธศีลไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นกุโซลมูนคืออโทสะนี่เท่าประกาศแล้วด้วยศีลเพราะว่าศีลเนี่ยนะต้องเป็นคนที่อดกลั้นอดทนได้เห็นะเพราะหากว่าขาดขันติเป็นต้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้แล้วก็ศีลนี้มีความไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะอย่างเช่นวิรัตศีลเนี่ยนะศีลคือการงดเว้นแทนที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการฆ่าการด่าเป็นต้นก็ไม่ทําส่วนอะโลภะอันเป็นกุศลมูลทรงประกาศด้วยสมาธิเพราะสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะ และเพราะมีอะโลพะเป็นประธานใช่ไหมอะโลพะนี้เป็นประธานแห่งสมาธมิเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่มากไปด้วยอะโลพะจึงจะเจริญสมะถะได้ถ้าหากว่าโลพะหนาแน่นเนี่ยนะยากที่จะเจริญสมะถะได้เพราะว่าสมะถะหรือสมาธิเนี่ยนะเป็นธรรมะตรงๆเลยในการกำจัดกาจัดโลพะเลยนะ กำจัดกามเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่ากามเนี่ยนะกามมีกี่อย่างมี2 อ, อย่างนะคือวัตถุกามและกิเลสกามถ้าพูดถึงวัตถุกามหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอชวนให้รับชักให้ใคร่ภาใจให้กําหนัดเนี่ยนะแสดงว่าสภาพจิตอ น, นันต์เป็นเป็ น, ปนโลภะซึ่งเป็นกิเลสกามเมื่อวานกล่าวถึงว่าไอ้โลภะเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับความหิวชนิดหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอโลภะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความอิ่มงั้นเพราะฉะนั้นอโลพากุศลมูลเนี่ยนะเท่ากับประกาศด้วยสมาธิและอโมหะอย่างเดียวทรงประกาศด้วยปัญญาเห็นไหมกุศลมูลก็สงเคราะห์ลงศีลสมาธิปัญญาได้นะอโทสโะเป็นศีลอโลภาเป็นสมาธิอโมหะเป็นปัญญา ทีนี้วิโมกขมุกสามเนียนะวิโมกขมุกขนี น, นะมีสามอย่างนะหนึ่งอนิมิตะวิโมกนะอะอนิมิตตวิโมกมุกสองอัปป น, นิหิตะวิโมกมุกสามสุญญตาวิโมกมุกนะทวนอีกครั้งนะอนิมิตะวิโมกมุญญม ก, อ, นะ อ, นนมกอัปปนิหิตวิโมกมกุก แล้วก็สุญเตาวมกมกะวิโมกมุกวิโมกมุก3ามอย่างอ่ามุกขาเนี่ยแปลว่าประตูก็ได้นะวิโมกแปลว่าความหลุดพ้นทรงประกาศอานิมิตะวิโมกมุกด้วยศีล น, นะถามว่าอธิบายว่าจริงอยู่ผู้ที่อาศัยศีลสมบัติ มีอะโทสะเป็นประธานมีปกติเห็นโทษในโทสะอนิจจานุปัสสนาย่อมสำเร็จได้โดยง่ายแท้จริงและอานิจจานุปัสสนาชื่อว่าเป็นอนิมิตตวิโมกขมุกอนนโทสะจริญนี่นะเจริญอนิจจานุปนะัสสนาเนาะเข้ากันหนักไปทางอาโทสะปัญญาอย่างถึง ความไม่เที่ยงมันเชื่อมกันไปหมดเลยเนาะของท่านเออรอ้อยกันถึงกันหมดเลยะนะก็บอกว่าคนมีศีลแสดงว่ามีอาโทสะใช่ไหมอาโทสะคือความไม่โกรธนะคนมีศีลว่ามีอาโทสะคนที่มากไปด้วยอาโทสะจะเห็นความไม่เที่ยงปู้การจำได้นะว่าเห็นสิ่งที่ ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลใช่ไหมเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลเนี่ยน ะ, ะก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นนั่นแหละที่เรียกว่าจะสิ่งนั้นเนี่ยเออดูดีนะแล้วก็พิจารณาโดยความปฏิกูลก็คือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนั่นเอง